เพื่อนฟังที่รบคะรายการสัสนสีสนทนานะคะผ่านไปผ่านมาก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยได้ล่วงเข้ามาสู่ครึ่งหลังของปีแล้วเพราะว่าเดือนกรกฎาคมถือว่าเป็นเดือนที่เจ็ดของปีซึ่งมีอยู่สิบสองเดือนเนี่ยคะ่ะพูดถึงเรื่องเลขนั้นเลขนี้ดิฉันคิดว่าวันนี้ที่ดิฉันอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ไพล์บุญพิพุนโนจะเป็นเลขสิบสามเพราะว่าเรากําลัง พูดถึงจดจ่อรอคอยโดวยเฉพาะคนที่สนใจเรื่องข่าวสารบ้านเมืองยิ่งเข้าไปในข่าวการเมืองก็จะตัดสินการสารรัฐธรรมนูญนะคะว่าเรื่องการยื่นให้แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจะล้มล้างการปกครองตามที่มีผู้ร้องหรือไม่แต่เราจะไม่คุยการเมืองนะคะเพราะว่าในรายการนี้เราก็ตั้งหลักมานานแล้วว่าเราจะคุยแต่เรื่องของพุทธวจนะนะคะเพื่อที่จะให้ปัญญา ของพุทธะหรือว่าปัญญาของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นาศาสตราของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะได้แปลเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนที่เป็นพุทธาศาสนิกชนแล้วก็ผู้ที่ศรัทธาในสิ่งที่ดีงามก็ลองพิจารณากันแต่ว่าดิฉันจะทําเองไม่ได้เลยนะคะถ้าหากว่าไม่มีพระอาจารย์ในรายการนี้นอกเหนือจากท่านมาชาเขาวโรที่เพิ่งผ่านไปแล้วเราก็กําลังจะได้พบกับพระเพรบุญอภิปุโนโ จ, าจากจังหวัดอุดรธานีวัดป่าดอนหายโศกค่ะ กาบนมรดการาท่านคะเชิญพานห่ อ, อนฝนตกไหมคะท่านเรือทุกวันเลย <c oughs> แล้วนะ <c oughs> ้าจะเจอหนองท่วมอะไรอย่างนี้ไหมคะใช่ดินก็เละนะพระเจ้าเคยบอกเอาไว้ว่าพอหน้าฝนเนี่ยโคมันเดินไปเดินมาสมัยก่อนทางเกวียนนะมันก็จะเหยียบแล้วก็เละไปหมดเลยพระนี่ก็เดินจนกระทั่งจีวรนี่เปิดรื่นกันไปนหมดนี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเส้นทางบางทางมันก็ไม่ใช่เป็น เป็นถนนดำํำนะไม่ได้ไม่ได้เป็นทางคือยิ่งแย่ยิ่งกว่าทางลูกลังอีกด้วยซ้ำกุญยมติวคำว่าท่านนี่หมายถึงอะไรคะถนนดําคือถนนราดยางโอยอะนะคะถนนถนนราดยางนี่คือถนนดำํำแต่แล้วมันยิ่งแย่ไปกว่านั้นนะแล้วพอบัวควายมันเดินไปเนี่ยมันก็เละมากเลยมันก็ย่ำย่ำไปเนี่ย และนี่อพอหมดฝนปุ๊บหน้าแดดออกฝนหยุดมันก็ขมดินตรงนั้นก็ขมมากอันนี้เดี๋ยวก็จะตอนช่วงออกพรรษาช่วงใกล้พฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเจอประสบการณ์พวกนั้นอยู่อ๋อค่ะก็เลยจะทำให้เดินลำบากเจ็บเท้าอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ๆโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่เวลาเดินบิณฑบาตเนี่ยส่วนใหญ่จะถอดรองเท้าไหมคะเออก็ส่วนใหญ่จะถอดรองเท้าน ะ, ะทุกเลย เ, เพราะว่ามีศีลข้อหนึ่งของพระจะเรียกว่าเป็ น, ปนข้อปฏิบัติก็ได้นั่นที่เรียกว่าเสขียวัตรที่บอกว่าเมื่อเข้าไปในบ้านเนี่ยไม่พึงสวมรองเท้านะเข้าไปในบ้านนี่หมายถึงอาจจะเป็นหมู่บ้านก็ได้หรือบ้านรเรือนของคนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรสวมรองเท้าเข้าไปะนะคะท่านคะก็ถ้าอย่างนั้นก็เป็นว่าเหมือนกับผู้ที่ฟังรายการอยู่ที่อื่นก็พอจะได้เห็นบรรยากาศเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝน ที่ใกล้ๆกับวัดป่าดอนหายโศกของท่าจันภัยบูรนะคะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไร mm hmm. ทางดิฉันขอถ่ายทอดกรุงเทพนิดนึงนะคะ mm hmm. ที่ผ่านมาค่ะดิฉันได้ไปแถวแจ้งวัฒนะมีฝนตกลงมาปรากฏว่าน้ำท่วมถนนคือเป็นการท่วมขังแต่ว่าก็ท่วมอยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะท oh. ่วมขังคือท่วมแบบระบายไม่ทันคงจะต mm ้อ hmm. ง ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งรีบป ร, ร, ระบายกันหน่อยเพราะว่าประชาชนเดี๋ยวนี้พอเห็นฝนตกนี่ขวัญขึ้นไปอยู่บนกระหม่อม น, นะคะท่านค่ะเรื่องของทางน้ําไหลเข้าทางน้ําไหลออกนี่ก็ผู้เช่าเคยตรัสมาในคุณยมติวที่อถ้าน้ํามันไหลเข้ามามากเนี่ยแล้วมันไหลออกไม่ทันเนี่ยมันก็จะทําให้บริเวณนั้นเนี่ยมีน้ําเต็มขึ้นมานะอาการที่น้ําเต็มขึ้นมาตรงนี้ผู้เชา่าเปรียบเทียบกับทรัพสมบัตินะที่เมื่อเราปิดทางน้ําไหลออกก็คือพวกอบายามุกทั้ง4ี่ นะเปิดทางน้ำไหลเข้านะคือการที่ไม่ไม่ทําอบายมุกทั้งสี่แล้วก็มีความเพียรเนี่ยก็จะทําให้น้ําในบึงนั้นเนี่ยเต็มขึ้นมาได้อ๋อค่ะที่ฝนตกแล้วน้ําขังเพราะมีใครไปปิดกั้นทางน้ําขอให้รู้เถาว่าพระพุทธองค์สอนไว้เกี่ยวกับเรื่องของอบายมุกใช่ใช่ดีนะคะอันนี้เป็นเครื่องช่วยทําให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าตรัสไว้และเป็นประโยชน์ที่ดี เห็นอะไรก็เห็นเป็นธรรมะอย่างเงี้ยนะจะมาว่าจะเป็นการดีมากเลยค่ะวันก่อนที่ฉันเห็นควันที่เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้มันบางจากะทังคะ่ะโอ้มันขโมงสูงตอนช่วงเช้าซึ่งคนกรุงเทพและคนใกล้เคียงก็ต้องออกไปทำงานเจ็ดโมงกวา่าเห็นแล้วมันสะท้อนใจนะคะคิดคิดต่อว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดอะไรมากมายไปกว่านี้มีความเสียหายถึงชีวิตถึงทรัพย์สินของคนเนี่ย มันสะท้อนความไม่แน่จริงๆน่ากลัวใช่ใช่สมัยสมัยก่อนผู้เชี่ยวเคยตรัสเรื่องนี้เกี่ยวกับว่าผ่านกลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยหรือผ่านจากกลางคืนไปกลางวันอย่างกรณีที่คุณยมติวพูดเนี่ยคือจากกลางคืนไปกลางวันใช่ไหมช่วงที่มืดแล้วก็จะมาเช้าเชสว่างหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หัวเรี่หัวต่ออาจจะตายได้แต่ผู้เชี่ยวเคยพูดถึงความตายเช่นโดนแมงปองกัดโดนงูกัดพวกนี้ สมัยนี้ความตายมันมันเปลี่ยนเปนอย่างอื่นอุสากรรมบ้างอะไรบ้างบัติเหตุบา้างอย่างนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ที่ฉันคิดว่าถ้าเราได้เรียนรู้คําสอนของพระศาษษษสดาพอเห็นเหตุการณ์ต่างๆจะได้เป็นโอกาสที่ทําให้เราน้อมนึกแทนที่เราจะไปนึกถึงส mm ิ่งอื่นๆนะคะบางคนนึกนู่นเลยค่ะอุตายแล้วฉันต้องทํายังไงกับทรัพย์สินสมบัติที่บ้านเกิดมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อืมล <vivir> ่วงหน้า ต่อไปนี้อเอาไปฝากแบงกไปฝังดินเอาไปอย่างนี้นะคะการคิดแบบนี้ถูกหลักพระพุทธศาสนาบ้างหรือไม่อย่างไรก็ท่านคะพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ว่าเมื่อมีทรัพย์สินสมบัติมัมีความสุขที่ได้มาโดยธรรมเนี่ยถ้าคุณจะต้องรักษาไว้สมมุติเรามีความเพียรเป็นเคขึ้นรูกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนใช่ไหมตัวชุ่มด้วยเหงื่อทํางานได้มาอย่เงี้ยนะคุณได้โพกทรัพย์มาเสร็จปุ๊บหน้าที่ที่สอของคุณเนี่ยนะหลังจากที่หาทรัพย์มาได้นี่ก็คือพึงจับจ่ายใช้สายทรัพย์นั้นให้ นะเรื่องมันดาเรืงบิดาพวกนี้พอเราใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วหน้าที่ที่สามเนี่ยคือเราจะต้องรู้จักปิดกัน้นนะคือคือเก็บทรัพย์นั้นไว้ให้ดีนะไม่ให้ถูกน้ําพัดพาไปไม่ให้ถูกไฟไหม้ไม่ให้ถูกพระราชาริบไปไม่ให้ถูกน้ําไม่ให้ถูกญาติหรือลูกแก่ดำเนี่ยที่เกิดในตระกูลเนี่ยมาล้างผลาญเงินทองพวกนี้เราต้องรักษาเพราะฉะนั้นการรักษาทรัพย์เนี่ยเป็นเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีทรัพย์นะค่ะนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกต้องตามพุทธวจะนะถ้าจะว่าปะทำได้เป็นเรื่องปกติ แต่าจะมันมยูนเด่นตรงนี้คุณโยมติ๋วว่าความสุขความแรงต่างๆที่เรามีเนี่ยนะพระชาตาบอกว่าก็อย่าพึงลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้น น, นคือหมายความว่ามันก็เป็นไปได้นะที่ตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือทรัพย์ใดทรัพย์หนึ่งเนี่ยจะถึงความสูญสิ้นไปเพราะความไม่เที่ยงอย่างเงี้ยเงินบางทีเก็บอยู่ในหายอย่างดีฝังอยู่ในดินปรากฏมีตัวอะไรเข้าไปกินปลวกเข้าไปกินอย่างเงี้ยโอ้โหเสร็จเลยแต่ตอนที่เราคิดว่าปลอดภัยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันค่ะ ทีนี้กลับมาถึงเรื่องควันนิดนึงที่คุณยมติว์เพิ่มสักครู่ทำให้อาจจะมานึกถึงอุปมาอุปไมยหนึ่งที่พี่ชาบพูดถึงควันนะควันเนี่ยพอมันลอยขึ้นไปบังพระอาทิตย์เนี่ยตรงนั้นก็จะมืดมนไปหมดนะถ้ายิงควันมากๆอย่างไฟไหม้ป่าอย่างสมัยตอนช่วงหน้าร้อนในช่วงต้นๆปีเนี่ยจะมีควันไฟที่มาจากอินโดนีเซียคุณยมติวจจาได้ไหม <c oughs> ที่มาทางภาคใต้มาทางภูเก็ตอะไรเงี้ยโอ้ทั้งตั้วภูมิภาคสิงคโปร์มาเลเซียอะไรเดือดร้อนไปหมดาะว่าควันไฟไม่ป่าทั้งกลิ่นเอยทั้งอ า, อากาศเอ้ยต่างๆโดนไปหมดไอ้ควันตรงนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาพระอาทิตย์เนี่ยเครื่องเศร้าหมองที่จะทําให้พระอาทิตย์เนี่ยไม่สามารถส่องสว่างได้เนี่ยหนึ่ใ น, นนั้นคือควนัน <c oughs> ควันตรงนี้ก็คือเนือนิวรณนนั่นเองเปรียบเสมือนนิวรณ์ของจิตจะทําให้ <c oughs> จิตของเราเศร้าหมองไม่เห็นอะไรมืดตื้อ มึงตึงไปอย่างนี้อ๋อค่ะควันไฟอ่ะอีกหน่อยก็สามารถที่จะคิดถึงเครื่องที่ทําให้จิตเศร้าหมองนิวรของจิตเมื่อเห็นควันไฟก็ได้เช่นเดียวกันใช่นิวรเป็นอะไรที่มันแย่มากเหรอคะนิวรนี่เป็นเครื่องกางกลั้นะทําปัญญาให้ไหลกํากลังพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับสนิมของทองที่มันอยู่ในทองแล้วทําให้ทองเนี่ยมันมันไม่สวยมันเนื้ออ่อนสีก็หม่น แหรือเปรียบเหมือนกับไอหมอกควันที่มันมาบาังพระอาทิตย์อย่างเงี้ยอาจจะมีระหูอมจันบ้างระหูอมพระอาทิตย์บ้างใช่ไหมพระอาทิตย์ก็มืดไปเลยนคะควันบ้างเมฆบ้างหมอกบ้างอาจจะก็ไม่จิตเราไม่สว่างไ <c oughs> ท่านไปบุญค่ะแต่ฉันกำลังคิดว่าการสนทนาธรรมของท่านเนี่ยนะเหมือนกับไหลไปเรื่อยๆ <c oughs> อแตกหนอบทุกเรื่องมีคําตอบได้หมดอื<ม>ทีนี้เรื่องที่ตั้งไว้เดี๋ยวท่านฟังว่าเอ๊ะทำไม พูดถึงเรื่องสุกสิบสามไหลไปยังไงทําท่าจะไม่ไปถึงสุกสิบสามวันนี้มันจับจ <13. S 2> <13. S 1> ่ายด้เลยนะค่ะจริงๆเหลืออยู่อีกสีห้าวันนะคะแต่ว่าอก็จะกราบเรียนถามท่านว่าฝรั่งเนี่ยคะ่ะท่านคะนก่อนจะมากราบเรียนถามท่านฉันก็ไปเปิดดูว่าเขาพูดถึงเรื่องวันนี้กันไว้อย่างไรบ้างแต่ดูเหมือนกับว่าเป็นที่รู้กันเกือบทั่วไปในประเทศไทยด้วยซ้ําว่าเลขสิบสามเนี่ยมันเป็นเลขที่ถ้าไปตรงกับวันสุกเมื่อไหร่ กลายเป็นวันที่ไม่ดีอ <đ> <ģ customers> ตัวเองเนี่ยเคยนะคะไปถ่ายรายการท่องเที่ย food, วสมัยก่อนนั้นปีนหน้าผาอยู่โอ้โหต่หน้าผาขึ้นไปมีความสุขเลยที่กระบี่แล้วรู้สึกเราเก่งมากอืพอขึ้นไปได้สูงระดับพอสมควรเกิดนึกขึ้นได้อุ๊ยตายวันนี้เป็นที่สิบสามเวันสุกนี่นาตายแล้วฉันจะเป็นอย่างไรหรือเปล่าคิดถึงคุณแม่อะไรเงี้ยนะคะเลื่อยเปื่อยขานี่สั่นพาะเพาเพมะเพเช็คดูในจอมอนิเตอร์ค่ะก็เลยบอกโอ้โหเอ้ยจิตเราเนี่ยที่มันคิดแบบนั้น พาไปกันใหญ่อทีนี้วันนี้เกิดคนไทยกําลังคิดว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันศุกร์ที่สิบสาอีกแล้วแต่ถ้าเป็นคนไทยชาวพุทธเราควรฟัาอย่างไรดีคท่านคะอันนี้พุทธประชันตัดไว้อย่างนี้นะเรื่องของความโชคดีโชคร้ายหรือว่าเป็นเรื่องงามยามดีในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยพุทเจ้าบอกว่าถ้าเวลาไหนจะเป็นเวลาเช้าก็ตามนะถ้าเรา ม, มีกายอันสุจริตนวจีสุจริตแล้วก็มโนโสุจริต เวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่เริ่มทํางานได้เป็นเวลาดีนะหรือเวลากลางวานันถ้าเวลากลางวันนะคุณเป็นกายวาจาใจบริสุทธิ์สุจริตนะ เ, เวลานั้นดีนะหรือตอนเย็นก็ได้ถ้าตอนเย็นคุณทำสามารถกลุ่มคนกลุ่มนี้นะที่จะร่วมกันทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถทรงจิตให้มีกายวาจาใจอันเป็นสุจริตได้นนั้นดีค่ะนะ ง, งาน่ายๆคือทรงจิตให้เป็นกุศลแตนะทีนี้มันมี ม, น ม, มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่คุณโยมติวพูดขึ้นมาอย่าง อ, อย่างสุข13อย่างเงี้ย S <S หรือว่าบางคนเชื่อ อ, อย่างอื่นๆเช่นทิ้งจกทัก <S 2> <S 2> หรือว่าตอนกลางคืนคุณห้ามล้างจานคนจีนก็เชื่อว่าวันตรุษจีนนห้ามกวาดบ้านนะหรือว่าอะไรอื่นอีกต้องเยอะแยะเวลากลางคืนห้ามทําอะไรกลางวันห้ามทําอะไรอะไรอย่างเงี้ย <S <S วันพุธห้ามตับเล็บอะไรต่างๆมีหมดเลย <S 2> <S 2> ถามว่าพวกนี้คือนิมิตคุณยมติวนิมิตนิมิตหมายถึงเครื่องหมายนะเครื่องหมายที่จะทําให้เราสามารถที่จะส่งจิตให้เป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศล ทีนี้การทํางานมันเป็นอย่างนี้ผู้บัญชาบอกว่าสมมุติเธอเธอมีนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมาบางคนหนังตาซ้ายกระตุกอุ้ยซ้ายขวารายซ้ายดีอา้าวซ้ายฉันดีชันดีใจเดี๋ยวเดินไปหน่อยอุ í, ้ยต่งขวาต่างตาขวาก็กระตุกเอา้ามันกระตุกสองข้างเลยทําไงดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตใจขึ้นขึ้ น, นลงล ง, ลงตามไอ้พวกนี้หมดเลยค่ะ น, นี่คือลักษณะของนิมิต ท, ที่มันมีผลต่อจิตของเรา น, านี่คืออันที่1อันประเด็นที่2อนะทีนี้ถามว่านิมิตเนี่ยทำยังไงอะ พระเจ้าบอกว่าถ้าเธอจิตมีจิตคุณเป็นอกุศลเงี้ยเฮ้ยฉันจะโชคร้ายไหมฉันจ ะ, ะแย่ไหมฉันจะทํำยังไงอันนี้ถามว่าคุณเป็นความยิ่อะไร่แต่เป็นความคิดที่เป็นทางปยาบาปเป็นทางบิยดเบียนตัวเองนะนะจิตตรงนั้นเป็นอกุศลแล้วนะอย่างคุณโยมติ๋วปีงขึ้นไปบนภูเขาอย่างเงี้ยพอจิตเราเป็นอย่างนั้นปุ๊บเอ๊จิตเราเริ่มมีขุนมัวใช่ไหมมีนิวรณ์เกิดขึ้นมีความสง ส, งสยัยมีความกังวลเนื่เพราะรอะไรเพราะอาศัยนิมิตของตัวเลข13บสามแล้วมันเป็นวันศุกร์สองอันนี้รวมกันทําให้จิตจะมีีกระเทอนนนขึ้้มาาย่ง ทีนี้ถ้ามันมาพิจารณาโอ้หนังตาซ้ายฉันกระตูกเพื่อมันไม่ได้เป็นสูงสาหนังตาซ้ายฉันกระตุกวันนี้สงสัยขึ้นมาต้องเจออะไรเหรียญหรือเงินอะไรทองตกอยู่มันก็ทิ้ไปอางนั้นอีกจิตก็เป็นกุศลอีกนะประเด็นมันคือตรงนี้ว่าเราพระพุทธเจ้าแนะไว้สวิธีคือวิธีแรกคุณคลายนิมิตซะหมายความวินิมิตไหนที่ทําให้คุณจิตคุณได้อกุศลคุณเลิกอย่าไปคิดมันนะหรือไม่ขาคุณก็ทรงนิมิตอื่นที่ทําให้จิตคุณเป็นกุศลเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้า นักคุณาจจะมีพระเครื่องหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวเองระลึกถึงพระเจ้านักขึ้นไปบนนั้นเอ้าเจอต้นโพโอร้ระลึกถึงพระชจ้าสบายใจจังอย่างนี้ก็ได้นะหรืออันที่สองอันที่สองคือว่าเราไม่สนใจนิมิตนั้นเลยให้เราจิตของเราเนี่ยแทนที่จะถูกควบคุมได้ด้วยนิมิตต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นอิสระซะจากนิมิตต่างๆเหล่านั้นอันนี้จะดีมากค่ะอ ม, มีขั้น slow by ไหมคะว่าทําอย่างไรถึงจะเป็นอิสระบางคนบอกว่าอ้าวแล้วทํายังไงล่ะถึงจะอิสระนี่พระเจ้าแนะไว้ห้าวิธี เอาวิธีที่ง่ายๆก่อนนะวันนี้เราพูดวิธีง่ายๆอันดับแรกก็คือว่าให้ระลึกถึงสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าเราลึกถึงพ่อแม่อันนี้ดีมากเป็นกุศลบายที่ดีเระลึกถึงมารดาปิดาแต่ถ้ามารดาปิดาเป็นคนดีเราก็ยิ่งสบายใจเระลึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุชาประธรรมพระสงฆ์พวกนี้ได้หมดเระลึกถึงแล้วเราสบายใจ วิธีที่สองที่ง่ายๆก็คือว่าอีกอย่างหนึ่งวิธีที่สองคือเปลี่ยนเรื่องคิดไปเลยถ้าที่คุณจะไปคิดเรื่องมาที่สิบสามอะไรต่างๆคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรคุยเรื่องอื่นนะหรือว่าไปทำอย่างอื่นคิดอย่างอื่นทาอย่างอื่นมันก็จะทําให้จิตเราคลายอากสนนี้ไปได้ค่ะก็เท่ากับว่าพระพุทธองค์ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอใช่ไหมคะใช่ขณะที่คิดไปอย่างนั้นในทางาศาสนาพูทธ ถือว่าเกิดอกุศลขึ้นในใจแล้ว<ช>มีนิมิตที่ทําให้เราไปคิดถึงเรื่องกา ร, รเรื่องพยาบาทเรื่องเบียดเบียนอยู่หรือเปล่าอืและให้แก้ไขด้วยวิธีที่ระลึกถึงสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมายเช่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าร<ช>ะลึกถึงคุณพ่อคุณแม่อย่างที่ท่านอาจารย์แนะนําอืำระลึกเปลี่ยนเรื่องคิดเสียอืมอันนี้ก็ฟังดูง่ายเพราะนั้นใครจะไปกังวล เปลนคิดอย่างนี้ก็ได้ไหมคะใช่คือถ้าถ้าเราถ้าเราทําความดีแล้วเนี่ยให้เชื่อเรื่องกฎของกรรมนะไอ้ตรงนี้เป็นมนคนตื่นข่าวนะตัวเลขอะไรต่างๆครก็คิดมาได้ถ้าเราเป็นผู้ <c oughs> ที่มั่นใจเรื่องกฎของกรรมแล้วนะอันนี้ถือว่าคุณก็อยู่ในขั้นของความที่จะเดินอยู่บ น, นโซดาปฏิมากรแล้วนะค่ะแล้วมันก็แปลกนะคระเพราะเราให้ค่าในสิ่งแบบเนี้มีความสําคัญขึ้นมาว่าเชื่อแบบที่คนอื่นเขาเชื่อว่ามันจะไม่ดี พอไปขึ้นลิฟต์ที่ไหนก็แล้วแต่เจอชั้นสิบเอ็ดนะคะมันปร้ดไปชั้นสิบสามปรากฏว่าพอถึงชั้นสิบเอ็ดนี่ขวัญมันแกว่งไกวศรัทธาอย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวถึงจะถูกกว่านะคะใช่ศรัทธาตรงนี้ต้องมีปัญญาด้วยนี่ยถึงจะตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวได้ค่ะออืก็จะได้ไม่ต้องไปวิตกกังวลแล้วก็รู้สึกว่าท่านจะบอกวิธีดูเรื่ให้ด้วยจะเมัื่อตอนต้นใช่จะมีอยู่สามวิธีค่ะคือกายวาจาใจเป็นสุจริตนั่นเอง เลิกนั้นๆไม่จําเป็นต้อง9โมง9นาทีเข้าไปทํางานคือถ้าตรงนั้นจะเป็นนิมิต ท, ที่ทำไม่จิตของคุณมีกายวาจาใจใเป็นสุจริตได้ก็ทำํำซะไม่ว่าอะไรอ๋ออันนี้ดีนะคะคืออันนี้ท่านพูดเองหรือว่าหลักของพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบนี้ค่ะคือคืออะไางอย่างนี้นะคือเกณฑ์เนี่ยของเราคือมีว่ากายวาจาใจเป็นสุจริตทีนี้คุณอาศัยนิมิตอะไรมาทําให้กายวาจาใจเป็นคุณเป็นสุจริต แั่ทีนี้มันก็ต้องมีเหตุผลด้วยว่าสมมติคุณเอาเลขเก้าโมงเก้านาทีมาอาศัยทีนี้ว่าถ้าบางทีมันเลยลื่วงไปแล้วทำยังไงแล้มันก็จะผิดหลักตัวว่าเราต้องพึ่งตอนพึ่งทําหรือไม่อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันก็จงอยู่ที่ว่าเราคุมจิตเราเนี่ยดีที่สุดแหละไม่ต้องอาศัยนิมิตใ ด, ดแต่ถ้าคุณจะอาศัยนิมิตนี้แล้มันก็จะถูกหลักพราะวยวัจนที่ว่าเอองั้นคุณก็ถึงนึกถึงนี้มิตอันใดอันหนึ่งก็แล้วกัน มันก็ะ จ, ะจะได้เหมือนกันนะมันก็เป็นนั้นว่าวันนี้เราได้ประโยชน์จากท่านพบูลอีกแล้วนะคะที่ถ่ายทอดสิ่งที่พระาศาสดาสอนทราบแล้วก็โปรดนำเอาไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้กราบนมัสการขอบพระคุณท่านพบูลเป็นอย่างยิ่งค่ะก<อ>ราบนมัสการค่ะและสําหรับในฉันเองนะคะก็คงจะต้องพูดคล้ายๆเดิมแต่เป็นการตอกย้ําสิ่งที่สําคัญจึงพูดอย่างนี้เสมอมาเปิดโอกาสให้ท่านท่านหลายถามคำถามเข้ามานะคะทาง เพียวธรรมะ o c o m 1 0 6ตรงไปที่ท่าจันไพรบู์หรือจะตรงมาที่สถานี FM 106ครอบครัวข่าวหมายเลขโทรศรัพท์ 02-2690006 ซึ่งเป็นเบอร์เดียวกับที่แจกหนังสือพุทธวัจนะให้ท่านใคร่ครวนทบทวนนะคะ 02-2690006 วันนี้ลากันไปก่อนพุทธวัจน์สวัสดีค่ะ